ตอนที่สิห้ารอพวกท่านมานานแล้วซูมานอินตัดสินใจแล้วว่าจะดึงซุนจิ๋วหลิงมาร่วมบุกเบิกธุรกิจด้วยกันต่อไปนี้เจ้าจะเป็นแม่ครเอกส่วนเสียวเยเว่ซูมานอินหันไปมองฉินเสี่ยวเยเว่ที่กําลังเล่นหัวคลุกคลีอยู่กับเด็กทั้งสองคนให้นางเป็นพี่เลี้ยงเด็กคอยดูแลเด็กๆแล้วกันความคิดนี้ดีเลยข้าจะได้ถือโอกาสสอนต้าฮวากับเสียวสวีด้วยจะได้ไม่เป็นคนซื่อจนเกินไปขอแค่ไม่ให้นางทํางานหนักจะให้ทําอะไรนางก็ยอมทั้งนั้น ซูมานอิมถึงกับชะ ง, งักชินเสี่ยวเยเวเ่จะต้องคุมให้อยู่เดี๋ยวนี้เลยนะพวกเขายังเป็นเด็กจะพาไปทางที่ผิดไม่ได้แม่เล็กท่านพูดอะไรนะชินเสี่ยวเยเว่จูมือเด็กทั้งสองไว้คนละข้างพางเอ่อยด้วยสีหน้าจรงิงจังข้าจะสอนให้พวกเขาตั้งใจเรียนหาความรู้เพื่อเติบโตเป็นคนที่แข็งแกร่งในชีวิตแน่นอนซูมานอิมจ้องมองฉินเสี่ยวยาวด้วยความสงสัยรู้สึกว่าคำรับรองนี้ดูเหมือนจะมีในแอบแฝงอย่างไรชอบกลแม่เล็กเรื่องนี้ข้าขอปรึกษาไว้ยหมิงก่อนนะคะ ซุนจิวหลิงยังคงมีความลังเลอยู่ในใจนี่เป็นวันแรกที่นางเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นก็มีความสามารถกับเขาด้วยนางรู้สึกว่าไม่ควรทำให้ความคาดหวังของแม่เล็กต้องสู่เปล่าแต่ขณะเดียวกันนางก็ทิ้งสามีกับลูกไปเฉยเฉยไม่ได้ซูมานอินพยักหน้าแสดงความเข้าใจเออจิ๋วหลิงเจ้าเคยทาหมูพะโล่ไหมสูมานอินมองซุนจิวหลิงเป็นเหมือนผู้ช่วยชีวิต นางดึงตัวอีกฝ่ายเข้าไปในห้องครัวทันทีพลางชี้ไปที่น้ำพะโล้สีดําข้มในหม้อเพื่อขอคําแนะนําข้าทําตามสูตรแปะๆเลยนะแต่รสชาติมันยังรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกนะ่ะซุนจิวหลิงขยับเข้าไปใกล้ใช้ตะเกียบแต่น้ําพะโล้ขึ้นมาลองชิมดูคําหนึ่งแม่เล็กน้ําพะโลน้นี้ท่านจะเอาไปทําอะไรหรือคะพะโล้หมูสามชั้นแบบติดหนังนะ่ะซูมานอินบอกความจริงพวกเราเตรียมจะทําของว่างอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโรเจียหมัวโรเจียหมัว พอซุนจิวหลิงนึกถึงแผนแป้งที่ไม่มีน้ำมันเมื่อครูหักได้ประกบเข้ากับหมูสามชั้นที่มีทั้งมันและเนื้อแทรกกันอย่างลงตัวนางก็รู้สึกว่ามันต้องเข้ากันมากแน่ๆและต้องอร่อยมากด้วยจนน้ำลายเริ่มสอกมาโดยไม่รู้ตัวแม่เล็กวิธีกินแบบที่ท่านว่าแค่คิดก็น่าอร่อยแล้วค่ะแต่ว่าซุนจิวหลิงเอ่ยอย่างลังเลเนื้อนี่ราคาไม่ถูกเลยนะคะแถมยังต้องใช้ครูปองเนื้อด้วยอะไรนะขายเนื้อก็ต้องใช้ครูปองด้วยเหรอชินเสี่ยวเย่าได้ยินเข้าก็รู้สึกไม่สบอารมณ์ขึ้นมาทันที ซูมานอินทะหลงตาใสชินเสี่ยวเย่เวทีหนึ่งก่อนจะดึงมือซุนจิ๋วหลิงมาถามด้วยรอยยิ้มจิ๋วหลิงปกติพวกเราคนหนึ่งจะได้ครูปองเนื้อเดือนละเท่าไหร่ประมาณครึ่งช่างมั้งคะแค่ครึ่งช่างเองเหรอฉินเสี่ยวย่อตกใจอีกรอบแบบนี้ทั้งเดือนก็แทบไม่ได้แตะของข้าวเลยสิก็ใช่น้ขขาศิคยค่าถึงได้บอกว่าที่แม่เล็กจะขายนั่นมันมีอุปสรรคซุนจิ๋วหลิงพูดตามความจริงจะไปหาวิธีเอาเนื้อมากมายขนาดนั้นมาขายได้อย่างไร จิวหลิงแม่ถามเจ้าหน่อยถ้ามีคนขายโรเจียมหมูบนถนนโดยไม่ต้องใช้คูปองเนื้อเจ้าจะซื้อไหมซื้อแน่นอนค่ะนั่นในแหละทุกคนล้วนมีความต้องการอยากกินเนื้อแต่กลับถูกจำกัดด้วยคูปองเนื้อดังนั้นการที่เราเปิดตัวโรเจียห์หมูออกมาก็จะช่วยบรรเทาปัญหานี้ได้พอดีซูมานอินเอ๋อกลั่วหัวเราะตลาดนี้มีศักยภาพสูงมากและมีอนาคตไกลเชียวละ่ะชินเสี่ยวเยกลอกตาไปมาแม่เล็กท่านคิดหาวิธีได้แล้วใช่ไหม ซูมานอินสายหน้าข้าคิดว่าในเมื่อร้านอาหารยังสามารถจัดหาเนื้อมาบริการได้อย่างต่อเนื่องพวกเราเองก็น่าจะทําได้เหมือนกันจริงด้วยแม่เล็กมองการไกลกว่าข้าจริงๆค่ะซุนจิ๋วหลิงรู้สึกว่าแม่เล็กมองเรื่องต่างๆได้รอบคอบกว่านางมากในเมื่อร้านอาหารขายได้ทําไมพวกนางจะขายบ้างไม่ได้ละ่ะแม่เล็กน้ําพะโลนี้ไม่มีปัญหาอะไรข่าแต่ข้าว่าเนื้อนี่ควรเอาไปผัดกับน้ําเชื่อมที่เคี่ยวจากน้ําตาลกรดกับน้ํามันให้เข้าเนื้อก่อนจากนั้นค่อยเทน้ําพะโลลงไปตุ๋นรสชาติน่าจะดีขึ้นมากเลยค่ะ ว่าจิ๋วหลิงเจ้าเก่งมากพอเจ้าพูดแบบนี้ข้าก็ได้กลิ่นหอมของเนื้อลอยมาเลยซูมานอินไ ม, ม่ได้คาดคิดเลยว่าซุนจิ๋วหลิงจะมีความเชี่ยวชาญด้านการทําอาหารขนาดนี้แผ่นแป้งทดลองทําสําเร็จแล้วที่เหลือก็คือเรื่องเนื้อเช้าตรู่วันถัดมาในขณะที่ท้องฟ้ายังไม่ทันสว่างดีสองแม่สามีมลูกสะพ้ยก็ขี่จักรยานออกไปซื้อเนื้อด้วยกันทว่าพอไปถึงร้านจําหน่ายอาหารเสริมฟู่สือพินเตี้ยนกลับพบว่ามีแถวเข้าคิวยาวเหยียดเสียแล้ว ไม่ใช่หรอกมั้งแค่จะกินเนือยังต้องต่อแถวอีกเหรอชิ้นเสียวเย่เวเอิด้วยใบหน้าเหนื่อยล้าเธอคิดถึงวันที่อยู่บ้านแค่ขยับนิ้วก็มีคนเอาของมาส่งให้ถึงประตูบ้านจังพี่สาวที่อยู่ข้างหน้าได้ยินเธอตัดพอ้อก็หันมาหัวเราะรา่าแม่หนูคนนี้ตลกจริงขยับนิ้วแล้วมีคนเอาของมาส่งให้นั่นมันเทวดาแล้วมั้งนั่นสิขลูกสะพายฉันคนนี้วันๆเอาแต่เพอ้อฝันซูมานอิมยิ้มพรางชวนคุยพี่สาวเขฟูสือพิงเตี้ยนที่นี่วันหนึ่งเขาปล่อยเนื้อเท่าไหร่เหรอคะ บอกยากนะบางมันก็สี่ห้าร้อช่างบางมันก็แค่2องสามช่างซูมานอินมองไปข้างหน้าเห็นมีคนประมาณเจ็ปคนในใจก็รู้สึกเบาใจขึ้นมาบ้างยังดีข้างหน้าจะยังซื้อเนื้อทันที่สาวกวาดสายตามองซูมานอินแวบหนึ่งราวกับมองมนุษย์ต่างดาวแม่หนูเธอตาฝาดไปหรือเปล่าที่สาวชี้ไปที่ขาของคนในแถวเห็นไหมข้างหน้ามีเด็กตัวเล็กๆตั้งเยอะซูมานอินเพิ่งสังเกตเห็นว่าในแถวมีเด็กตัวเตี้ยเตี้แทรกอยู่เต็มไปหมด พวกเด็กๆตื่นเช้าแถมยังอยากกินเนื้อก็เลย ม, มาต่อแถวกันหมดถ้านับเด็กพวกนี้ด้วยข้างหน้าก็น่าจะมีเป็นร้อยคนแล้วละ่ะพี่สาวไม่ได้พูดต่อแต่ซูมานอินเข้าใจทันทีหากวันนี้ดวไม่ดีมีเนื้อแค่ร้อยสองร้อช่างแล้วคนข้างหน้าซื้อเฉลีย่ยคนละช่างพอถึงคิวเธอก็อาจจะไม่มีเหลือให้ซื้อแล้วฉินเสียวเย่าได้ยินดังนั้นก็เริ่มท้อแทะแม่เลี้ยงเพื่อนรักหรือว่าเราเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นดีทำไส้มันฝรั่งเส้นดีไหมของพวกนั้นน่าจะหาซื้อง่ายนะ ซูมานอินสายหน้าพลางชี้ไปที่แถวแล้วบอกว่ายุคนี้เนื้อนี้แหละที่ดึงดูดคนที่สุดต่อแถวไปเถอะดวงเราคงไม่สวยขนาดนั้นหรอกไม่นานนกะข้างหลังพวกเธอก็มีคนมาต่อแถวยาวเหยียดทันใดนั้นซูมานอินกับฉินเสี่ยวยาวก็เริ่มมีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งมนุษย์เราก็เป็นแบบนี้พออยู่รั้งท้ายก็มาจะกระวนกระวายแต่พอเห็นว่ายังมีคนอยู่ข้างหลังก็จะรู้สึกเหนือกว่าขึ้นมาทันทีระหว่างที่รออยู่จูจ่จูก็มีวัยรุ่นชายคนหนึ่งแท็กแถวเข้ามาข้างหน้าพี่สาวคนนั้น พี่สาวเงยหน้ามองแวบหนึ่งเห็นอีกฝ่ายท่าทางดูร้ายจึงได้แต่ก้มหน้าทำเป็นมองไม่เห็นซูมานอินเห็นเข้าก็ขมวดคิ้วมุนเฮ่ hey, พ่อหนุ่มทำไมมาแซงคิวแบบนี้ล่ะวัยรุ่นชายคนนั้นไม่คิดว่าจะมีคนกล้าท้าทายเขาจึงหันมามองค้อนซูมานอินวงใหญ่แล้วยืนนิ่งไม่ขยับพ่อหนุ่มพูดกับเธอนั่นแหละถ้าจะซื้อเนื้อก็ไปต่อแถวข้างหลังไม่ใช่มาแพร่อะไรของมึงวะวัยรุ่นชายใช้นิ้วก้แค่หูพลางหันกลับมา กูก็ไม่ได้แซงหน้ามึงมึงจะมายุ่งอะไรด้วยสังคมใหม่เห็นเรื่องไม่เป็นทําใครๆก็ยุ่งได้ทั้งนั้นซูมานอินตอบกลับอย่างแข็งกร้าวจะไปต่อแถวข้างหลังหรือจะใส่หัวไปเดี๋ยวนี้รังแกผู้หญิงยังกล้าเรียกตัวเองว่าลูกผู้ชายอีกเหรอเหออารมณ์กูยิ่งร้อนรอนอยู่วันนี้กูจะรังแกผู้หญิงให้ดูนี่แหละผู้จบวัยรุ่นคนนั้นก็เดินตรงเข้าหาซูมานอินในเวลาเกือบจะพร้อมกันวัยรุ่นอีก3ามสี่คนไม่รู้โผล่มาจากไหนพากันเดินเข้ามาล้อมพวกเธอไว้ ชินเสี่ยวเย่เว่เห็นดังนั้นก็ได้แต่ถอนหายใจดูถ้าเพื่อนรักของเธอจะได้กระสอบทรายฟรีอีกแล้วช่างเถอะเธอเองก็ควรจะให้ความร่วมมือหน่อยเธอรวบรวมอารมณ์ครู่หนึ่งน้ำตาก็ไหลพราออกมาทันทีไว้รังแกคนแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยมีอันธพาลรังแกผู้หญิงแล้วเฮ้ยมึงด่าใครเป็นอันธพาลวะวัยรุ่นชายชี้หนะ้าฉินเสี่ยวยาวแล้วพุ่งเข้าใส่แต่ซูมานอินทิบเข้าที่เอของเขาเต็มแรง พักพวกที่เหลือยังไม่ทันตั้งตัวร่างของเขาก็ลอยกระเด็นออกไปด้านข้างคนอื่นๆเห็นดังนั้นก็เหวี่ยงหมัดพุ่งเข้ามาซูมานอินกาลังจะออกหมัดฝึกมือแต่จูจูก็มีเงาดำหลายสายพุ่งออกมาควบคุมตัวคนพวกนั้นไว้อย่างรวดเร็วอย่าขยับพวกกูรอพวกมึงมานานแล้ว